ท่านผู้ในการสถาบันวิจัยผู้ชนาการท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้สนใจในในทำทั้งหลายการที่สถาบันวิจัยผู้ชนาการได้มีอายุยืนยาวมาถึง30ปีนับเป็นเป็นมงคลอย่างหนึ่ง ในนามพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นพรนะที่มนุษย์เราย่อมปรารถนาและโดยเฉพาะการที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งเนี่ยจะมีอายุยืนมาถึง30ปีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องอาศัยความร่วมมือและความเสียสละของบุคคล อาจจะเรียกว่าตั้งแต่สองรุ่นขึ้นไปและที่สำคัญก็คือว่านอกจากความมีอายุยืนซึ่งเป็นพรที่ใครๆก็ปรารถนาแล้วเนี่ยในทางพุทธศาสนาถือว่าสิ่งสาคัญกันกนัก็คือว่าการได้ทำประโยชน์ในขณะที่มีอายุยืนนานนั้นประโยชน์ที่สาคัญ แม้ว่าจะมีอายุเพียงแค่วันเดียวแต่ว่าทำประโยชน์เพื่อกูรในทางศาสนาก็ถือว่ามีค่ากว่าการที่มีอายุยืนนาน1้อยปีแต่ว่าไม่ได้ทำประโยชน์แต่ว่าในกรณีของสถาบันวิจัยโภชนาการนีนอกจากจะได้มีอายุยืนานานถึงสาทศวรรษแล้ว ตอลอดช่วง30ปีนั้นสถาบันก็ได้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและแก่เพื่อนมนมุษย์ร่วมชาติอย่างมากมายอาตมาได้ยินกิตติศักท์ของสถาบันวิจัยโภชนาการมาเกือบ30ปีมาแล้วตอนนั้นสิ่งที่ประทับใจ แล้วก็ยังจําได้อยู่ทุกวันนี้ก็คือรายงานการวิจัยของสถาบันโดยเฉพาะที่กระทําโดยท่านผูอ้อเมริการคนแรกคือท่าจักอาลีป ร, ริยศรวีตอนนั้นข้อมูลที่กระทบใจพวกเรามากตอนนั้นก็อายุ20นะกระทบใจพวกเรามากก็คือเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําเราส่งข้าว นะไปขายเป็นสินค้าออกแต่ปรากฏว่าเด็กอายุตั้งแต่เด็กอายุต่าประ่าห้าขวบถึง 60% เป็นตะเป็นโรกขาดอาหารนะทั้งระดับ1ระดับ2ระดับ3ตอนนั้นพวกเราก็ไม่เคยนึกว่าตัวเลขมันจะมากขนาดนี้จริงอยู่พวกเราเคยไปออกค่ายในชนบทและเราก็เห็นคนยากคนจนนะแต่ก็ไม่ได้นึกว่าจะมีเด็ก ที่ตายเนะพราะขาดอาหารหดือเพราในชนบทซึ่งเด็กเหล่านั้นพ่อแม่เขาก็เป็นชาวละ่ชาวนาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่ า, วามันไม่ได้มีผลกระทบต่อพวกเราคนเดียวอาตมาคนเดียวแต่ว่าขอให้เกิดความตื่นตัวในแวดวงที่บริหารประเทศไม่ใช่เฉพาะแต่ใ น, ในราชวงศ์สาธรณสุขนะการ แก้ปัญหาทุกโภชนาการได้การเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศฝ่ายลัฐธรรมาเองนะก็ได้มามีส่วนะมาช่วยงานทํานองนี้อยู่บ้างเพราะว่าเราจําได้ว่าปี22เนี่ยประเดืนปีเด็กสาขลนแล้วก็อตรตมาซึ่งทํางานอยู่กลุ่มประสาน ง, งานศาสน า, รสารประสังคมซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเอ็โอเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องของเด็กขาดอาหารเป็นเรื่องสําคัญ ก็เคยร่วมมือกับมูลนิธิเด็กนะทำเรื่องช่วยเหลือเด็กขาดอาหารในชนบทนะและการที่ได้ติดตามการทีได้ทํา ง, งานแบบนี้ก็ทําให้ได้เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รักทราบนะและอาศัยข้อมูลความรู้จากการวิจัยของสถาบันวิจัยโภชนาการเป็นลําดับเช่นต่อมาก็ทราบว่าการที่คนชนบทเป็นนิ่วมากเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะอะไรหรอก แต่เป็นเพราะการขาดสารอาหารมากกวเป็นเพราะว่าการกินน้ําซึ่งมันขุ่นการขาดสารอาหารมีผลกระทบนะต่อต่อสุขภาวะของผู้คนมากนะก็ทําให้เกิดการอันเหุทิศทางของการพัฒนาไปในทางที่ตรงกับปัญหามากขึ้นแล้วพวกเราก็ได้อาศัยงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลต่างๆเรานี่จากสถาบันซึ่ง เสนอภาพในภาคกว้างแต่ว่าก็ได้มาเป็นประโยชนสหรับงานที่พลหลอดทาในชนบทน่าจะเป็นงานเล็กๆเราจมาไปช่วยงานเด็กขาทหารในในหลายจังหวัดนะจนกระทั่งได้มาพบกับหลวงพ่อรูปหนึ่งซึ่งท่านทําศูนย์เด็กแล้วก็ช่วยเด็กขาทหาร อ, อยู่ที่จังหวชายภูมิซึ่งต่อมาก็ได้ทราบว่าท่านเป็นอาจารย์กรรมาฐานด้วยก็เลยเป็นเหตุให้ได้มาบวชกับท่านนะก็เลย มาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็24ปีมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่างานงานงานด้านงานด้านเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กขาดอาหารเนี่ยก็ได้ทำให้อัตมาได้มารู้จักกับสถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็ได้มารู้จักอีกหลายท่านซึ่งในหลายส่วนก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิต อันที่ที่พูมานี้อาจจะเป็นเรื่องทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของส่วนรวมและก็ส่วนตัวและโดยโดยเหตุที่ได้ทํางานเกี่ยวเรื่องงานางานด้านเกี่ยวทั้งหมดมาสนใจเรื่องเด็กขาดอาหารเรื่องเพรทุพพจนาการก็ทําให้ได้รู้จักกับหลายท่านที่อยู่ในแวดวงนี้รวมทั้งหลายท่านที่อยู่ในสถาบันแล้วก็โดยส่วนตัวเองก็ ก, ก็บังเอิญได้มารู้จักและวก็คุ้นเคยกับท่านผู้ในการ ซึ่งอาตมาเรียกด้วยความคุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กว่าพินะิจเพราะว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เล็กนะก็ถือว่าเป็นเป็นที่สาวคนหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นที่สาวของเพื่อร่วมห้องร่วมโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นก็โดยส่วนตัวก็ได้คุ้นเคยนะกับกับบุคลากรในในสถาบันที่แตโพิจารณาการตั้งแต่ระดับสูงหรือระดับผู้ดำเนการระดับผู้บริหารก็ได้รู้จักหลายท่านแม้กระทั่งระดับเจ้าหน้าที่ บางคนก็รู้จักพระทั้งแต่เล็กเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับอยู่ในหมู่บ้านที่าอาตมาตั้งวัดอยู่นะก็ก็เรียกว่ามีเหตุให้ต้องมาเกี่ยวข้องกับบุคคลในแวดวงในสาขาวิทยาพนานการอยู่ในหลายระดับขั้นนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยก็ก็รู้สึกยินดีนะฮะที่ได้มามาพูดในโอกาสที่สําคัญของสถาบันนะ ซึ่งก็หวังว่าจะนอกจากจะเป็นส่วนในการแสดงมุทิตาจิตแก่ทุกท่านที่ได้มาช่วยกันเสียสละให้สถาบันมาจนถึงวันนี้ได้แล้วก็หวังว่าจะได้มีส่วนช่วยทำให้เกิดกำลังใจในการที่จะก้าวต่อไปสู่ทศวรรษที่4และวก็ทศวรรษที่ห้าจากจนหรือว่าเรนระว่าอยู่คู่ประเทศไทย เลยก็ได้นะฮะไม่ใช่เฉพาะอยู่คู่หมาชามมยิโดอย่างเดียวหัวข้อในการบรรยายในวันนี้เนี่ยคือธรรมะในงานและธรรมะในใจนะจะเริ่มต้นด้วยธรรมะในงานก่อนนะฮะคือธรรมะในงานมันมีอยู่2 ส, ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือธรรมะที่เป็นเนื้อเป็นตัวของงาน ก็คือเป็นงานที่ดีมีประโยชน์นะทั้งประโยชน์ต่อ ต, ตัวเองและแต่เราก็ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์กับต่อต่อตัวเองก็เช่นช่วยทาให้คนที่ทำเนี่ยนะเกิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเกิด เ, เกิดเกิดสติปัญญาพอเพิ่มพูนมากขึ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะก็เช่นอย่างที่สถาบันกำลังทำอยู่นะเป็นประโยชน์ ในเรื่องของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในเรื่องแก้ปัญหาความทุกข์ของผู้คนท่านี้ธรรมะนี่ไม่ได้มีอยู่แต่เฉพาะในตัวเนื้อ ง, งานอย่างเดียวมันยังมีอยู่ในวิธีการทํางานหรือในกระบวนการทํางานด้วยธรรมะในวิธีการทํางานเนี่ยหมายความว่าอย่างไงก็หมายความเป็นงานในการทํางานเนี่ยเราใช้วิธีการที่ถูกต้องสอดคล้องติตริยธรรมหรือว่ามีจรรยบัณฑในการทํางานาเช่น เราใช้ความซื่อตรงนะนอกจากสิ่งที่เราทำจะเป็นสมาชีวะแล้วจะเป็นงานที่ดีแล้วเราก็ังใช้วิธีการที่ซื่อตรงนะไม่คดโกงขายไม่เอาเปรียบใครนะหรือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักจรรยบัณเพราะบางครั้งก็มีนะถึงแม้ว่า ง, งานที่เราทำนีอาจจะ เป็นงานที่ดีอย่างเช่นการเรียนหนังสือเนการเรียนหนังสือในี่วัตถุประสงค์มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นของดีแน่แต่ว่าบางครั้งนะเราอาจจะใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ซื่อตรงนะใช้วิธีที่เป็นทางลับนะอันนั้นก็คงไม่ใช่ธรรมะเพราะนี่เราอยากถูกต้องแล้วเนี่ยธรรมะในงานยังหมายถึงวิธีที่ทําให้เกิดความสําเร็จด้วยนะถูกต้องไม่พอต้องสําเร็จนะสำเร็จตรงตามเป้าหมาย ในทางภาษศาสนาเรามีหลักธรรมที่เรียกวอิทธิบาสสก็คือธรรมะที่ช่วยทําให้งานนั้นสําเร็จบรรลุผลจริงๆพวกเราที่คุ้นกับเรื่องของอริยสัจสี่ทุกสมุดไทยนิโรดบ้ากเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อเราเอาหลักธรรมที่มาแอปพลายมาใช้กับการทํางานเราก็จะพบว่าถ้าเราทํางานโดยรู้จักปัญหาสาเหตุของปัญหารู้จุดมุ่งหมายที่จะไปให้ถึงแล้วรู้วิธีการแล้วเนี่ยมันจะไปถึงไปสู่ความสําสเร็จ หลักธรรมที่เรียกว่าปริยสัทสี่เนี่ยมันก็นําไปสู่ความสําเร็จได้ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีอย่างเดียวถูกต้องอย่างเดียวแต่เป็นวิธีการที่นําไปสู่ความสําเร็จเพราะตรงตามเป้าหมายขั้นตอนที่สามคือว่าธรรมะในงานหมายถึงเมื่อเราทํางานแล้วเนี่ยมันเกิดผลที่มันในครัที่เราทำเนี่ยแม้ผลผลของงานยังไม่เสร็จยังไม่บรรลุแต่ว่าในขณะที่เราทํานั้นเนี่ย มันก็เกื้อกูลกับตัวเราเนะเช่นเพิ่มพูนศักยภาพทำให้เราเกิดความมัน่นใจในตนเองทำให้เราเกิดความเพียรมากขึ้นเป็นคนที่ไม่กลัวความที่ลาบากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อ ง, งา น, นันเป็นงานอะไรเท่านั้นแต่ว่ากระบวนการทำงานเช่นถ้าเราทำงานแบบไม่เอาใจใส่หรือว่าทำพาพอให้เสร็จพอเป็นพิธีเนี่ย ศักยภาพภายในของเราก็ไม่เติบโตไม่เจริญนองานามบางทีเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่สู้งานหรือว่าเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าหากว่าเราไม่เอาธรรมะนั้นมาใส่ในกระบวนการหรือวิธีทํางานและในเราที่ทางานนั้นเองเนี่ยก็อาจจะเกิดประโยชน์อีกด้านขึ้นมาคือทําให้เกิดมิตรภาพงานนั้นทําให้เกิดมิตรภาพได้ เราทำงานแล้วเนี่ยไม่ใช่เราเติบโตอย่างเดียวคนอื่นก็เติบโตและสมรรถภาพก็จะเลยงอกงามด้วยอันนี้เป็นไปได้เพราะเราเอาธรรมะไปใส่ในระหว่างที่ทํางานนะฮะมันไม่ใช่ที่ตัวเนื้องานางเดียวแต่วิธีการทํางานก็สําคัญด้วยผู้งอ้อยก็คือว่าธรรมะในงานเนี่ยต้องขอให้เกิดสามิติคือว่าขอให้เกิดประโยชน์นะ เป็นความดีงามอันที่หนึ่งอันที่หอันที่สองทำให้เกิดความสําเร็จอันที่สาม่เกิดความสุขความสุขงานนี้ทําให้เกิดความสุขด้วยนะรับเพราะารรมะในจุดหมายคือความสุขมีธรรมะแล้วเนี่ยแล้วทุกเนี่ยแสดงว่าน่าจะยังไม่ถูกต้องหรือว่ามีความทุกข์แต่ว่าสามารถที่จะก้าวความก้าวข้ามความทุกข์ไปได้ อันนั้นเนี่ยก็คธรรมะในสุดท้ายแล้วเนี่ยท ถ, ถ้ามีธรรมะในงานแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่สำเร็จมันไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวแต่มีความสุข ด, ด้วยนะตรงนี้เนี่ยคือคือคือสามิติะของของงาน3มิติของธรรมะในงานคราวนี้มาพูดให้ตรงมาถึงงานของพวกเรานะคืองานของสถาบันวิจัยโภชนากาเนี่ยนะ สถา บ, บันวิจัยบูชาการเนี่ยนะเป็นสถาบันทางวิชาการนะเราก็มีหน้าที่แสวงหาความจริงข่ะเดียวกันเราก็ผลิตและเผยแพร่ความรู้นะและในในและการที่จะทําจะทำให้สําเร็จได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความจริงกรดีการผลิตและเผยแพร่ความรู้กรณีการแลกเปลี่ยนความเข็นนะก็เป็นก็เป็นอีก ภารกิจหนึ่งของสถาบันไม่ว่าจะเป็นความเห็นภายในสถาบันเองหรือภาคความเห็นภายระหว่างสถาบันก็ตามความจริงความรู้และความเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกความรู้ก็คือข้อมูลที่เราเชื่อเป็นความจริงหรือได้รับการรับรอง่าเป็นความจริงความเห็นก็คือข้อมูลที่เรายังยังไม่รับรองหรือยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นความจริง แต่ไม่แน่มันอาจจะกลายเป็นความจริงแน่นาคตก็ได้ในขณะที่ความความรู้นั้นเนี่ยซึ่งเราเคยเชื่อเป็นความจริงไปประามาณมาอาจจะกลายเป็นแค่ความเห็นก็ได้อย่างสมัยหนึ่งเราก็เชื่อว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกนะอันนี้เราเชื่อนี่คือความจริงแต่ตอนนี้มันมีสถานะเป็นแค่ความเชื่อหรือความเห็นหรืออย่างทุกวันนี้เนี่ยเราเคยเชื่อว่าแต่ก่เราเชื่อว่าโลกนี่แบนนะแต่เดนนี้ ความคิดว่าหรือข้อมูลที่ว่าโลกแบนแลเนี่ยมันมันไม่ใช่ความจริงละมันไม่ใช่ความรู้ละแต่มันเป็นความเห็นซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยนี่ยังคิดว่าโลกแบนอยู่นะถึงกับตั้งสมาคมโลกแบนขึ้นเหมือนที่ในอเมริกาเนี่ยอันนี้จริงนะฮะอ่าฉะนั้นเรื่องความจริงความรู้และความเห็นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกและงานของสถาบันเนี่ยนะก็คือการเกี่ยวข้อง กับการสร้างหาความจริงการเผยแพร่การเป็นแะเผยแพร่องค์ความรู้รวมทั้งการและเปลยนความเห็นซึ่งอาจจะนําไปสู่ทั้งความจริงและความรู้ก็ได้อันนี้คือคือคือคืองานของสถาบันซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีในลักษณะที่เอาความจริงเอาความรู้ที่มาใชใ้เป็นประโยชน์อย่างเช่นที่ได้ทำในที่ทําในเรื่องของการแก้ปัญหาทุกโภชนาการ ตั้งแต่ที่เคยทําที่องค์พรารัชกาลมาดูกระทั่าล่าสุดก็สีสกเกตใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการเอาความจริงหรือเอาความรู้มาใช้ซึ่งในกระบวนการนี้ก็ต้องอาศัยความเห็นเข้ามาประกอบด้วยคราวนี้งานอย่างนี้เนี่ยเราจะเอาธรรมะอะไรเข้ามาเข้ามาใช้เราเชืวว่อไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่จําเป็นในทางพุทศาสนา ธรรมะที่จําเป็นข้อแรกก็คือฉั น, ฉนทะฉันทะเนี่ยคืออะไรฉันทะคือความรักในงานความรักที่ได้ทำงานอันนี้เป็นมาในความรักนะครับความรักนี้มันมี ม, น ม, มันมีหลายหลายหลายระดับนะเมตตาสิเนหะอันนี้เป็นเรื่องบุคคลนะเมตตาก็ เป็นความรักแบบหมือนสินเนหาหรือเสนหาก็เป็นความรักอีกแบบแต่ว่าในสิ่งที่เป็นงานเนี่ยนะสิ่งที่เป็นงานนะฮันทะเป็นความรักที่ที่ถือว่าเป็นธรรมะเรารักงานเรารักงานไม่ใช่พวกงานนั้นเนี่ยมันทำให้เราได้หน้าได้ตาไม่ใช่เพราะว่าเป็นงานที่ทำให้เรามีชื่อเสียงหรือว่า เป็นงานที่ทำให้เราได้เงินเดือนเยอะแต่เพราะว่าเราเห็นคุณค่าของงานแล้วเรามีความสุขที่ได้ทำอันนี้คือฉันทันะซึ่งตรงข้ามกับตันหานันหานี่ก็รักนะฮะแต่ว่าไปรักไปรักอย่างอื่นไปรักเงินไปรักชื่อเสียงไปรักสิ่งที่มันสนองตัวตนแต่ถ้าเป็นการรักในงานเนี่ย ด, ดีมีความสุขที่ได้ทำงานเนี่ยอันนี้คือฉันทัศน์ว่ฉันทัเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นคุณค่าของงาน เมื่อไรคุณค่าของงานแล้วเนี่ยนะเราก็มีความสุขที่ได้ทําเกิดความขยันที่ได้ทํเราเลือกว่าใฝ่าย่ทำนะแต่ถ้าเรามีตัณหาฮนะมันจะฝนะ่ายเศษใฝ่ายเศษกับใฝ่ธรรมต่างกันใฝ่ายทําเกิดขึ้นได้ผลฉันทาเรารักในงานเพราะอะไรคุณค่าของงานเมื่อแล้วเมื่อไรไคคุณค่าของงานก็ทําให้การทํางานนั้นเกิดความสุข มันไม่ได้รั่วเป็นงานอะไรนะก็เป็นงานสัมมาชีวะเนี่ยแม้จะเป็นงานชนิดเดียวกันงานอย่างเดียวกันแต่ถ้าเราทําด้วยความรู้สึกหรือท่าทีที่ต่างกันมันก็ให้ผลต่างกันนะครับยังมีคนสามคนเนี่ยกําลังก่อดอิดอยู่ใกล้ๆ ก, กันคนนึงเนี่ยทําด้วยความเฉื่อยชา อีกคนหนึ่งอีกคนนึงก็ทำทำหยู่หยุดทำไปก่ออีกไปก็ดูนาฬิกาไปอีกคนนึ่งทำด้วยความกระตือรือร้ น, นพอไปถามคนแรกว่าทําอะไรเขาบอกเขากำลังก่ออีกถามคนที่สองว่ากำลังทำอะไรเขาบอกเขากำลังก่อคอนแท็ถามคนที่สามก็ตอบด้วยสีหน้าแช่มชื่อว่ากําลังสร้างโบสถ์ อะไรที่ทําให้เกิดความแตกต่างกันในเมื่อทํางานอย่างเดียวกันทํางานเหมือนกันแต่ความรู้สึกต่างกันคนนึงเฉยชายคนหนึนหนทําอยู่ๆแต่คนนึ่งกระตือรือร้ น, นเพราะเขามองหรือเห็นคุณค่าของงานต่างกันคนแรกนี่ก็ก่ออิดตัวคิดว่าตัวเองเกาะ อ, อิดมองไปได้ไม่ไกลแบบนั้นแต่คนที่สองเนี่ยเขารู้เห็นกว้างขึ้นมาหน่อยคือฉันกําลังกาะฟัอองเพงแต่คนที่สานี่ก็เห็นกว้างแบบที่เราว่าไอ้สิ่งที่เขาทําเนี่ยคือการสร้างวัด คือการสร้างบสถและเมื่อเห็นคุณค่าอย่างนี้เนี่ยจิตใจก็มีความสุกจิตใจก็มีความปิติก็มีความกระตือรือร้น น, นะอันนี้มันเป็นความแตกต่างเกิดเพราะการเห็นคุณค่าของงานไม่เหมือนกันและถ้าเรามองไปให้ลึกเราก็จะพบว่าเขามีแรงจูงใจต่างกัน คนแรกคนที่สองแรงจูงใจในการทำงานอาจจะเป็นเพราะอยากจะได้เงินเดือนหรืออยากจะได้เงินเป็นหลายชั่วโมงแต่คนที่สามเนี่ยเงินนี่อาจจะไม่ค่อยสําคัญแล้วหรือสําคัญน้อยกว่าการที่เขาได้บุญแรงจูงใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตันหาแล้วแต่มนันเรื่องของฉันท่า น, ะนันคนที่คนที่ คนที่ทำทำงานหรือกออีกเพราะอยากจะได้เงินเนี่ยเขาก็คอยดูแต่เวลาว่าเมื่อไหร่จะเริ่มนาสักทีไม่อยากทำํำแต่ที่ต้องทําเพราะว่ามันได้เงินนะซึ่งก็ไม่ใช้เรื่องเสียหายนะแต่ว่าการมีท่าทีเช่นนี้จะให้ความรู้สึกต่างกับคนที่สนะซึ่งเขาทาด้วยความรักอันนี้ก็นน เ, รเรียกว่าฉันทางนะแล้วงานอะไรงานอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าเราเห็นคุณค่าของงานแล้วเนี่ยเราจะเคารพงานนะเราจะรักในงานแม้ว่างานนะั้นอาจจะเป็นงานที่ดูเหมือนดูเหมือนต่ำนะฮะเงินเดือนน้อยไม่เด่นดังแต่ถ้าเรามีฉันทะและเราเห็นคุณค่าของงานสามารถจะเห็นงานเห็นต่องงา น, นเรามันมีผลกระทบที่กว้างไกเลเราจะมีความสุขถึงแม้จะเป็นคนสวนถึงแม้จะเป็นคนรถถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะฮะ เราจะรู้สึกเลยว่าโอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งองค์การทําให้สังคมไทยนะเรามีความสุขมันะเป็นส่วนมนึการทําให้สิ่งที่เราเรียกว่าวิสัยทัศนะ์ปรัชญายที่เขียนตรงนี้เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้ทําให้ทําให้คนไทยมีพนานธมัยที่สมบูรณนะ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ยังเผยแพร่ต่อไป ถ, ถ, ถึงเพื่อนบ้านด้วย จะเป็นคนสวนจะเป็นคนรดรถแต่มีส่วนสร้างให้เกิดความสําเร็จอย่างนี้ขึ้นมาได้คือทหงตรงนี้เนี่ยเราก็จะทํางานอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะได้เงินเดือนไม่มากนะแต่เราจะไม่ก็จะไม่สวนนี่เป็นงานงานต่ำเป็นงานที่ไม่มีคุณค่าปัญหาอยู่ที่ว่าเราสามารถจะเห็นคุณค่าของงานได้ไกลได้กว้าง อย่างนี้ไหมถ้าเราเห็นเนี่ยชันท้าเกิดขึ้นได้เราจะทำงานด้วยความรักก็ต่อมาคือว่าเมื่อมีเมื่อมีชันท้าและความเพียรสิ่งที่เราเรียกว่าวิริยะรวมทั้งความจดจ่อเนี่ยก็เกิดขึ้นได้อันนี้วิริยะจิตตานี่มันมันตามมาเมื่อเกิดชันท้าเราจะทำด้วยความเพียรและถ้าเรามีสติเข้าไปกำกับคือมีสติอยู่กับปัจจุบัน บางครั้งการทํางานเนี่ยขยันก็จริงแต่ทําด้วยความเครียดเพราะใจเราไปไ ป, ไปพวงกับอดีตว่าได้ว่ามันเคยมีปัญหายังไงบ้างเคยมีคนต่อว่ายังไงบ้างเราก็เลยกังวลเราก็เลยเกิดความไม่แน่ใจกลัวงานมันจะล้มเหลวเหมือนเมื่อก่อนหรือเราไปกังวลกับอนาคตเมื่อไหร่งานจะเสร็จเสร็จแล้วฉันจะได้ลายคนอืเขาจะว่าอย่างไร การที่เราเอาใจไปอยู่กับอดีตหรืออยู่กับอนาคตเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันเพรนี่ในทางศึกธศาสาเรื่องไม่มีสติมีสติอยู่ปัจจุบันด้านเราทำเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราไ ม, ไม่ไม่ไปไ ป, <S <S ไปผ w o กับอนาคตผลมาจ่ อ, อมาเป็นอย่างไรเนี่ยฉันไม่สนใจเพราะฉันเห็นว่าทําตอนนี้เมื่อดีแล้วเนี่ยอนาคตมันออกมาดีเองแต่คนเราเนี่ยทำด้วยความเครียดก็ใจไปไปผ w o ถึงผลข้างหน้ามือนกันเราเดินทางไกลเยคนที่เดินทางไกลแล้ว มีความทุกข์พะใจนี่คอยนึกเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนะไม่ต้องเดินทางกายแค่เดินมาขับรถมาทํางานที่สถาบันนะถ้าใจคอยห่วงกังวลเวลารถติดเนี่ยก็ทุกขนะ์เมื่อไหร่จะถึง้นะสายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่เท่ากับว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะอันนี้แหละมันจะช่วยทําให้การทํางานมีความสุขวิริยะจะเกิดขึ้นได้อย่าง อย่างไม่ไม่ต้องฝืนนะและความตดจอใส่ใจก็จะเกิดขึ้นได้ผู้เรีคือว่าเราถ้าเราทําเหตุให้ดีแล้วเนี่ยผลมันทนไม่ได้มันต้องแสดงตัวมันออกมานะฮะประการต่อมาคือคือว่าเมื่อเรามีความใส่ใจมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิมังษาคือการปรับปรุงแก้ไขใคร่ครวญอยู่เสมอคือความใฝ่รู้คือถ้าเราลักงานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้งานเนี่ย เราจะให้ความสมาคัญต่อ ง, งานแล้วเขาจะคอยตรวจสอบไต่ตรองดูว่างานนี่มันมีข้อที่ต้องแก้ไขยังไงบ้างสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเออมันมันตรงตามเหตุตามผลหรือยังและถ้าเรามีมีความมีความใฝ่รู้นะเราจะพร้อมเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกโอกาสได้เรียนรู้จากทุกคนทุกคนสามารถที่จะให้ความรู้แก่เราและเราสามารถจะเรียนรู้ได้จากทุกคน มีเกตเล่านะเกีเ่ยวกับพระยาเ น, นื้อมาชชนพระยาเนตรอมาชชนเนี่ยเป็นราช เ, เป็นนายรุราชบัณฑิตสมัยสักห้าปี60ปีที่แล้วนะท่านคือสิริโกเศ ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ ท, ท, ที่ที่แปลเรื่องการษษษษมรดสิทธิเมื่อครั้งที่เป็นนายรุราชบัณฑิตเนี่ยท่านมีหน้าที่อั น, นคือการการทำพจ า, านกมแล้วก็มีศัพท์อยู่สองคำซึ่งเถียนกันไม่ลงในมูลราชบัณฑิตก็คือว่าก้นกับตที่มันต่างกันยังไง ก็เทียงก็ไม่ลงนะฮะแต่ละววันนึงวันนั้นแหละเถียงก็ไม่จบก็เลยท่านก็เลยเดินกลับบ้านบ้านที่แถวลาดแถวราดชูงไม่แถวสุรมงศ์แถวนักสีลมยังมันยังเป็นยังเป็นเป็นทุ่งนาอยู่ก็เดินผ่านก็ไปเจอเด็กเล่งควายเขาถามว่าก้นกระตูนมันต่างกันยังไงเด๋มก็บอมันจะยากอะไรก้นมีไว้นั่งตูนมีไว้ขี้่ท่านก็เออใช่นะเนี่ยคือ คือราชบัณฑิตย อ, ยอย่างพระยาในมราชถนนี้ท่านก็ยังความเจริญรู้จากเด็ก น, นะไม่ได้รูถือว่าเด็กเป็นความมงโง่นะแต่ทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราเราเกิดความรู้สึกว่าถ้าไม่จบปริญญาเอกหรือไม่จบปริญญาแล้วเนี่ยไม่มีค่าพอที่จะจะเรียนรู้ไม่มีค่าพอที่ฉันจะฟังซึ่งไม่ใช่ดังนั้นถ้าเราถ้าเรามีผู้ใฝ่รู้เพราะเรามีพิ่บางสาเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้แม้กระทั่งจากคําวิจารณ์จากคําตําหนิ และเราสามารถเรียนรู้ได้จากความล้มเหลวหรือรรอุปสรรคท่นตรงที่สําคัญนะเราะทุกวันนี้เนี่ยเรามีมีทัศนคติในทางลบต่อคําวิจารณ์และก็ความล้มเหลวอุปสรรคมากซึ่งมันทําให้เราพลาดที่จะเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่สําคัญมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะนักแกชื่อว่าออสเวลล์อเวอรีเป็นคนสําคัญ คนหนึ่งนะซึ่งในเรื่องในวงการทางด้านการแพทย์และเชื้อวิทยาเคยพูดไว้ว่าคนเราเนี่ยนะเวลาลม้มลงแล้วเนี่ยเราต้องเก็บอะไรขึ้นมาสักอย่างเราต้องหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างก่อนที่จะลุกขึ้นมาคนเราเนี่ยล้มก็รู้สึเกเจ็บนะแล้วก็ไม่อยากจะลม้มแต่เขาบอกว่าเนี่ย ล้มแล้วเนี่ยต้องหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างได้ชื่อของเขาเนี่เป็นชื่ อ, อคนซึ่งที่ล้มมาเดินตลอดแต่สิ่งเมื่อล้มแต่ละครั้งเนี่ยคือล้มเหลวแต่ละครั้งแต่ละครั้งเขาได้เรียนรู้อะไรมากมายมาตมาได้อ่านเรื่องราวของเอเวลี่เนี่ยในเรื่องจากหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวปัญหาการเกิดเหตุการณ์โรคระบาดใหญ่เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนนั้นเกิดโรคระบาดใหญ่ซึ่งไม่รู้เป็นโรคอะไร แต่ว่ามันคล้ายๆกับโรคหวัดเดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้ว น, น, นั่นคือหวัดหวัดใหญ่เมื่อ90ปีที่แล้วสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอเวรีเนี่ยเป็นคนหนึ่งเป็นหนึ่งในบรรดานักวิทยาศาสตร์ชั้นหัวกะทิที่เข้ามาพยายามที่ถูกระดมเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาว่าหวัดเนี่ยมันเกิดจากอะไรไอ้โรคระบาดนี่เกิดจากอะไรนะฮะแล้ว จะแก้ไขมันได้ยังไงจะรักษา ม, มันได้ยังไงอันนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าใช้เวลานานนะถึง1 0 1ถึงปีเนี่ยกว่าจะมาพบว่าเขาเดินผิดทางเขาเริ่มต้นจากสมมติฐานที่ผิดว่าไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่โรคหวัดแต่มันเป็นโรคชนิดใหม่ที่เกิดจากแบคทีเทรียที่คล้ายคลยอดบวมแล้วเขาก็ล่ลก็ไปทางเนี้ยเพราะมีสมมติฐานผิดใช้เวลา10กว่าปี ผิดทางสําหรับคนธรรมดาเขาก็รู้สึกว่าตัวนี้เสียเวลาไปเปล่าๆแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เสียเวลาเปล่าเพราะว่าในช่วง10ปีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไปปิดทางแต่เขาได้พบข้อมูลหลายาวิธีการหลายอย่า ง, าายยางเช่นได้พบวิธีการเขาะเชื้อแบคทีเรียที่แม่นยําได้ได้ผลเพราะการข้อเชื้อแบคทีริยมันยากมากโดยเฉพาะไอเชื้อเชื้อตัวที่ทําให้เป็นหวัดเนี่ยแล้วก็พบวิธีการของกร ะ, กระบวนการเมตาบูเลซึมของ ของแบคทีเรียทุกชนิดเลยว่ามันมีกระบวนการเมตาบอลิซึมอย่างไรบ้างแต่ที่สำคัญคือว่าไอความลบเหลวนันเนี่ยมันนําไปสู่การค้นพบว่า DNA นั้นเนี่ยนะมันเป็นสารประทุ ก, กรรมสารประทุ ก, กรรมเนี่ยมันอาศัย DNA ซึ่งเป็นการปฏิวัตินะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่ามันโป ร, โปรตีนต่างหากที่เป็นเป็นสารประทุ ก, กรรมและ ก, ลกว่าเขาจะพบเนี่ยใช้เวลาอีก20่สิบปีนะ แต่ปกติว่าสิ่งที่เขาพบเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันทำให้มันนาไปสูก่การการเกิดความรู้ใหม่ๆ ม, มากมายจนกระทั่งเกิดาการคนพบว่าดีเมันมีโครงสร้างเป็นเกลียวแล้วก็เกิดการเกิดเป็นพื้นฐานของวิศวะพันธุกรรมศาสตร์30ปีนะฮะ30ปีซึ่งเราอาจจะบอกว่าไอ้30ปีของเขาเนี่ยมันคือความลุ่มเหลว แต่ที่ทิงไม่ใช่เพราะถึงที่แล้วเนี่ยรด้วยแต่ละครั้งรวแต่ละครั้งรูวแต่ละครั้งเนี่ยได้ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาได้ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเราสามารถจะเรีเยนรู้จากความรูมเหนือได้มากกว่าความสำเร็จด้วยซ้มีหมอท่านหนึ่งนะฮะชื่อหมอทันโสภาศท่านเป็นนักเขียนนะฮะเป็นมะเร็งฮะเป็นมะเร็งแต่ท่าน ได้พูดไว้น่าสนใจท่านบอกว่าตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นความสนุกที่สุดในชีวิตนะแต่ก่อนเนี่ยก็สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะสนุกกับการเล่นปิงปองกับลูกและลูกห ล, ล, ลานสนุกกับการอ่านหนังสือแต่ตอนหลังเนี่ยพอเป็นมะเร็งสนุกนะกับการที่จะเป็นมะเร็งเพราะอะไรเพราะได้มาเรียนรู้กับตัวเองว่ายาชนิดไหน ที่ได้ผลแล้วก็พบนะฮะว่าถ้าบอกวนะ่าไอ้เคโมทุกตัวเนี่ยไว้ใจไม่ได้คการที่พบว่าเคโมทุกตัวไว้ใจไม่ได้เนี่ยน่าจะทำให้เกิดความทุกข์เพราะก็หมายความว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะรักษาหายได้หรือมีโอกาสที่รักษาหายได้ได้น้อยมากแต่ความรู้อย่างนี้เนี่ยคุณหมอทางสุขภาพบอกว่าไม่เสียใจเลยได้ประโยชน์ การที่ลวกเคโมที่มารักษาตัวเอง ม, ม, ม, มันหยุดมันเล็งไม่ได้เนี่ยนะมันเป็นความรู้ซึ่งทําให้ตัวเองมีความสุขไม่เสียใจนะนี่คือท่าที่คนที่ฝ่ายรู้เมื่อฝ่ายรู้แล้วเนี่ยแม้จะรู้ว่าเคมีมันไม่สําเร็จรักษาไม่สําเร็จก็ยังดีใจเพราะได้ความรู้ว่าเออมันไม่สําเร็จนะเหมือนกับเอดดิสันเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนที่คิดไฟฟ้าเนี่ยหลอดไฟฟ้าเขาใช้ใช้ตัว เขาใช้สารเนี่ยมาทำเป็นเป็นไส้ไฟเนี่ยเป็นร้อยร้อยชนิดนะฮะแล้วแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ไม่สําเร็จแต่เขาก็บอกว่าความไม่สําเร็จก็ดีอย่างก็คือทําให้เขารู้ว่าไอ้สารอยู่อย่างนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะงนั้นคนเราถ้ามีใจใฝ่รู้เนี่ยเราก็ไม่กลัวความล้มเหลวนะเราก็ไม่กลัวไม่กลัวบัสรก จะเกิดความเพียรเรื่อยไปนะในช่วงที่ในช่วงที่มีการคน้นค้นหายารักษาโรคหวัดเนี่ยก็มีคนหนึ่งนะชื่อพอลเออร์ลนะิชก่อนก่อนก่อนเอสเทอร์เฟรมบินก่อนที่จะค้นพบยาปฏิชีวนะแกทำการทดสอบถึงสารแกทำการทดสอบเนี่ยคือแกเชื่อว่า ไอ้โรคติดเชื้อเนี่ยมันสามารถจะรักษาได้ด้วยสารเคมีตอนนั้นจะไม่มีเพนะิซิลินไม่มียาปฏิชีว น, นะแล้วแกทดสอบถึงแก่ทดสอบด้วยสารต่างๆถึง900ชนิดโอคิดดูว่าแต่ละชนิดนี้มันใช้เวลานานเท่าไหร่ใช้เพียงแค่ซิฟฟลิคตัวเดียวเนี่ยนะแกะใช้สารถึง900ชนิดในการที่จะหาให้ได้ว่าสารชนิดใดที่มันจะหยุดซิฟลิได้ปรากฏว่าหาไม่เจอ ไม่เจอไม่ท้อนะกลับไปใหม่กลับไปกลับไปรีเทสใหม่แล้วไปเจอตัวที่6 0ร้อยหว่ามันหยุดซีฟลิปได้เป็นสารหนูนคะคือเนี่ยเป็นเรื่องของคนซึ่งมีความเพียรเพราะเขามีความใฝ่รู้และความลึกเดียแต่ละครั้งเนี่ยไม่สามารถจะหยุดมันกได้นะเดี๋ยวเพราะหลายท่านซึ่งเป็นทำงานทางด้านวิชาการเป็นนักวิจัยเนะี่เมื่อเราเป็น น, นักวิจัย ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ก้าวเท้าก้าวเท้าก็ไปในพรมแดนแห่งความไม่รู้การแสดงความคิดคือการก้าวเท้าก็ไปในพรมแดนแห่งความไม่รู้มันเหมือนกับป่าซึ่งลบชัดการที่เราจะการที่เราจะลองผิดลองถูกเป็นเรื่องธรรมดาและในกระบวนการลองผิดลองถูกนั้นเนี่ยมันต้องมีความนุ่มนวลแต่ว่าถ้าเราไม่กลัวไม่กลัวความแยบลับาถ้าเราคิดว่าความแยบลับาเนี่ยหรือประสรรคเนี่ยมันให้ความรู้กับเราตลอดเวลาเราจะ มีความเพียรอันนี้นอกจากการเรียนรู้จากความร่มเรลยอูปศรแล้วเนี่ยการเรียนรู้จากความวิคคำวิจาร์คำเห็นแยง้งก็สำคัญนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้มันเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างซึ่งเรามักจะมองข้ามคำวิจาร์หรือความเห็นที่แย้งกับเราเนี่ยมันมีข้อดีอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นไหม เมื่อเมื่อไรก็ตามที่เราเจอคาําวิจารณ์เนี่ยอาตารย์่าคิดว่าจำเป็นมากเลยที่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากคาําวิจารณ์เพราะคําวิจารณ์แ้วเนี่ยมันต้องให้มันจะต้องทําให้เราเกิดความรู้มากขึ้นไม่อย่างใดก็หนึ่งคือทําให้รู้ทําให้เราเรียนรู้กับเรียนรู้เกี่ยวกับงานของเราว่างานของเรามีความผิดพลาดอย่างไงบ้างหรือทําให้เราเราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราว่าเรามีวิธีการหรือมุมมองที่ผิดพลาดหรือเปล่า หรืออย่างล่าสุดเนี่ยก็ทําให้เรารู้จักผู้วิจารณ์ดีว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะคําวิจารณ์เนี่ยไม่ว่าอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมันจะถ้าเรามองให้เป็นเราจะได้เรียนระู้ในสามเรื่องเสมอนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเราเองหรือว่าตัวผู้วิจารณนะ์ซึ่งถ้าเราเก็บเกี่ยวความรู้ตรงนี้มาเนี่ย เราจะไม่ขัดทุนนะทุกครั้งที่เราถูกวิจารณแล้วเราทุกนะเขาเราถือว่าขัดทุนแต่เมื่อ ต, ตามที่เราถูกวิจารแล้วเราเกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นมาถือว่าได้กําไรคุณเล็กวิริยพันธ์นะเจ้าของมูลโบราณเนี่ยตอนนี้เสีเสยชีวิตไปแล้วแค่ตัวไม่าสนใจเลยว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิมรุณวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภงงิมรุณคือมันไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะว่าเรา มีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างมีนักโฆษณามุอุษชีพคนหนึ่งเนี่ยคือคนไทยเนี่ยเป็นนักเป็นนักทําโฆษณาที่เก่งมากแล้วกว่ารางวัลมาได้เยอะนะฮะในแวดวงโฆษณาโลกประเทศนี้เมืองไทยเป็นประเทศที่กวาดรางวัลได้เยอะมากบางคนเนี่ยได้รางวัลเนี่ยได้มากกว่าทั้งประเทศไปแบบถึงประเทศญี่ปุ่นรประเทศเกาหลีรวมกันได้ซ้ํามีคนหนึ่งแกบอกว่าเวลาแก ทำงานโฆษณานแล้วไปให้กองเซ็นเซอร์ตรวจเนี่ยหลายครั้งมันก็ถูกตีกลับออกมาแกก็โกรธนะโมโหแต่ก็แม้แกแก็มาได้คิดอยู่เสมอว่าเขามีหน้าที่วิจารณ์้เราก็มีหน้าที่โกรธแต่อย่ากโกรธนานนะต้องกลับมาดูว่าที่เขาพูดเนี่ยมันมีข้อดีไหบ้าง แล้หลายครั้งที่แกพบว่า้คําวิจารณ์ของตองเซ็นเซอร์เนี่ยเอามาปรับปรุงนล้ว ง, งานจะดีขึ้นคือโกรธไม่พอใจ เ, อเรื่องธรรมดานะแต่ว่าอย่ากโกรธนานนะตรงนี้ก็คือว่าพูดง่ายคือเวลาเราเจอเวลาเราเจองานวิจารคําวิจารเนี่ยเรามีทางเลือก2ทางนะคือจะเอาปัญญาออกหน้าหรือจะเอาอัตตาออกหน้าถ้าเราเอาปัญญาออกหน้าเนี่ยเวลาถูกวิจารเนี่ยเราจะถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรบ้าง แต่ถ้าเราเอาอัตตาตัวตอนออกหน้าเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยทําไมเขาว่าฉันทําไมเขาว่าฉันแกถึงดียังไงมาว่าฉันนี่เรา่องอัตตาออกหน้าตอนเราปัญญาออกหน้านเราจะถามว่าเอ๊ะมันเกิดความผิดพลาดที่ตรงไหนแต่ถ้าเราเอาอัตตาออกหน้าเนี่ยมันจะถามขึ้นมาเลย ว, ว่าแย่จริงเว้ยทาให้กูเสียหน้า ต่างกันนะระหว่างว่าเกิดควา ม, มผิดพลาด ท, ที่ตรงไหนกับฉันเสียหน้าเมืนะ่อถ้าเราถามว่าเกิดควา ม, มผิดพลาดที่ตรงไหนเนี่ยเราได้ความรู้ฮนะแต่ถ้าเราเราเวรยไ ว, ยวย้ขึ้นมาในใจว่าเสียหน้าย่งเสียหน้าเราไม่ได้อะไรเลยนะมีแต่ความทุกขนะ์ผู้อยานึกทั่ว่าเราจะเอาความรู้เป็นใหญ่หรือจะเอาความรู้สึกเวลาเราเวลาคำ ว, วิจารณ์มากระทบกับหูเราเนี่ยมันจะเกิดสองอย่าง มุมความร Wide, ู้สองความรู้สึกแต่ถ้าเราความรู้สึกเป็นใหญ่เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราเอาความรู้เป็นใหญ่เราก็จะมาถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างถูกวิจารณ์แต่ละครั้งได้ความรู้เพิ่มถึงแม้จะเสียหน้าถึงแม้จะโมโหแต่ถ้าเราเอาปัญญาออกหน้าเอาความรู้ออกหน้าเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มเติมเราจะได้ข้อคิดเพิ่มเติม นี่นสิ่ง น, นี่คือสิ่งที่เราเลือกได้นะเราจะเอาความรู้หรือจะเอาความรู้สึกเวลาหูเรากระทบกับคําวิจารณ์ถ้าเราเอาความรู้เป็นใหญ่เนี่ยไอความรู้สึกทุกความรู้สึกจะบปวดเนี่ยมันก็จะหรือเสียหน้าเนี่ยมันก็จะมันก็จะเผาพระเผาเราเลเหมือนเราถูกยุงกัดแต่ว่าใจเราไปกําลังดงหนังเนี่ยเราไม่รู้สึกเราก็ยุงกาลังกัดเราหรือเรากําลังเรานั่งเรานั่งเรานั่ง ดูดูบอลกลางแดงเนี่ยแดดมันจะร้อนยังไงเราไม่รู้สึกนะเพราะใจเราไปอยู่ทุกบอลถ้าใจเราไปเอาความรู้เป็นใหญ่เนี่ยเราก็ใจเราก็จะไปอยู่กับข้อมูลความรู้ที่เราจะได้จากการวิจารณ์มันจะไม่มีเวลาว่างไปรับรู้ความทุกข์หรือถึงทุกข์มันก็ทุกข์ไม่มากนี่สําคัญก็คือเราเจาะ ป, ปัญญาออกหน้าหรือเจาะอัตตาออกหน้าอัตตาเรื่องโตเต็ <mister tumors> เราจะเอาความรู้เป็นใหญ่เราจะเอาความร ah ู one, ้สึกเป็นใหญ่ทุกวันนี้คนเราเนี่ยเอาความรู้สึกเป็นใหญ่แลเด็กก็เป็นนะฮะเด็กทำไมถึงไม่ชอบกินยาทำไมเด็กไม่ชอบกินผักนะเอาความรู้สึกเนี่ยอร่อยไม่อร่อยใช่ยามันขมผักมันผักก็ขมกันนะคือไม่ได้เอาความรู้เป็นใหญ่เออถ้าเออยายเอาความรู้เป็นใหญ่คือเห็นว่ายามีประโยชน์นะ หากนี่มีประโยชน์ถ้าเราฝึกตรงนี้เนี่ยเราฝึกตั้งแต่เล็กเนี่ยนะเราจะเอาความรู้เป็นใจแล้วเราจะไม่กลัวความวิจารณ์แล้วกไม่กลัวสิ่งที่มากระทบใจให้เราเสียความรู้สึกเพราะเราจะไม่เราจะไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้มากไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิเสธนะเรารับรู้แต่ว่าเราจะไม่ใส่ใจแล้วตรงนี้มีคนเขาตรงเนี้ยคือคือคือคือคุณสมบัติของผู้มีการศึกษามีคนเขาผู้แสวสนใจก็พูดถึงนิยามของการศึกษานะ การศึกษาคือความสามารถที่จะฟังอะไรก็ได้โดยที่ไม่รู้สึกหงุดหงิดโมโหหรือสูญเสียความมั่นใจแต่เรามอกจากนนคนที่มีการศึกษาสูงมีปริญญา ม, มากเนี่ยพอเจอคําวิจาร์แล้วเนี่ยหนึ่งโมโหหรือไม่ก็สองสูญเสียความมั่นใจแต่การสารที่แทจริงเนี่ยมันจะทําให้จิตใจเราหนักแน่นและนอกจากเราจะไม่สูญเสียความมั่นใจเราจะไม่มโมโหเรายังได้ความรู้ด้วยคือได้กำไร ไว้ศาสนาเือตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องของเป็นเป็นสิ่งวัดสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาแล้วคนบางคนเนี่ยก็าา จ, จะจบป .4 นะแต่เข้าใจเขาเปิดรับสิ่งต่างๆโดยที่เขาไม่สูญเสียความมัน่นใจแล้วก็ไม่มีโมโหคนที่พูดไม่ถูกใจเพราะเขาได้ประโยชน์ตลอดเวลาจากสิ่งนั้นนะเนี่ย น, นี่คือนี่คือ นี่ธรรมะที่ใช้ในเวลาทํางานแต่คร น, นี้พอเวลางานมันจบละงามสิ้นสุดนะมันก็มีธรรมะที่จะมาช่วยได้เหมือนกันนะหรือช่วยให้เราเนี่ยเกี่ยวข้องกับงานได้อยา่างถูกต้องเช่นเวลาประสบความสําเร็จเราก็ไม่หลงเราก็ไม่ประมาทนะเวลามีคนชมมีคนเชียร์มีคนชื่นชมผลงานของเราเรามักจะหลงและเราก็มักจะ เ, จะเรามักจะเพลิน ตรงนี้เองพอเราเกลือนเนี่ยพอคนมาวิจารณ์ก็ไม่ชมไม่เชียร์แล้วเนี่ยเราเราเราสะดุดหรือเราเราโมโหขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่ายิ่งอยู่สูงมากเท่าไหร่เวลาตกก็ตกมาเจียนมากเท่านั้นและธรรมะก็คือว่าเวลาเราเกี่ยวข้องความสําเร็จเราเกี่ยวข้องถูกต้องคือไม่หลงไม่เพเลินและเมื่องานล้มเหลวหรือผู้คนไม่ยกย่องไม่สารเสริญเราก็ไม่ท้อแท้ เพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะไรทั้สิส่งสาคัญแล้วก็บางครั้งเนี่ยงานที่ดีก็อาจจะไม่มีคนชื่นชมอย่างน้อยก็นในตอนแรกอย่างเอเวอรี่เนี่ยหรืออย่างกาลิเลโอซึ่งพบนะว่าพบสิ่งซึ่งพบว่าดยที่ไม่ได้หมุนรอบโลก ก็ไม่มีใครชื่นชมนะตอนที่เอเวอรีเนี่ยเขาพบว่าไอเดีนี้นี่เป็นสารพันธุกรรมเนี่ยเขาเกิดจได้รางวัลโนเบลอยูน่ น, นะฮะการที่เขาเสนอผล ก, ก, การวิจัยขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดการถกเถียงกันมากเพราะมันไปหักล้างความคิดของคนว่าไม่ใช่โปรตีนปรากฏว่าคณะกรรมการรงวัลโนเบลบอกว่ารอไว้ก่อนดับก็ว่า ก็จะรู้ว่าเขาถูกต้องอาวิริยตายไปแล้วแต่นั้นไม่สําคัญนะไม่สําคัญเพราะว่าการที่คนเขาไม่ชื่นชมอะไรนะเขาสิ่งที่เราทำ ม, มันผิดพลาดเพียงแต่ ว, ว่าเขายังมองไม่เห็นงั้นแล้ให้ดีกว่านั้นก็คือว่าเราไม่เอาตัวไปผูกติด ก, กับงานใครับเพื่อศาสนาเราบอกว่าเนี่ยคุณทํางานก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยย่ผลงานให้เป็นของธรรมชาติ อย่ายึดมั่นถึงมากมาเป็นของเราเพราะถ้าเราไปยึดว่ามันยิดมาถึงมาว่ามาเป็นของเราแล้วคนไม่ชมเราก็ทุกข์คนตําหนิเราก็ทุกข์เพรเราไปเชื่อว่นี่คืองานของปู่แล้วบางทีเราหวงไม่ให้ใครชื่นชมไม่ให้ใครมาใช้ประโยชน์ในทางภาษ า, าเนี่ยอะไรก็ตามที่ที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยนะแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราความคิดที่อยู่ในหัวเราก็ไม่ใช่ของเราแต่มันเป็น มันเป็นผลงานมันเป็นเหตุมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆมากมายมารลมกันเวลาเราทํางานเนี่ยนะแตะ่ตมาเชื่อเราจะมีความสุขมาถลอมไม่ไปยึดมั่นถึงมั่นว่านี่มันเป็นงานของเราแต่ไม่ใช่ไหมครับว่าพอไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เลยไม่ไ ม, ไม่รับผิดชอบนะอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนอีกแบบนึงซึ่งเราก็ต้องระวังสําหรับบางคนเนี่ยการการ ความรู้สึกนี่คืองานของชั้นเนี่ยนะมันทําให้เขาเกิดความเพียรแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะให้งานเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยให้งานเป็นของธรรมชาติเป็นของโลกในพวกงานที่เราทำเนี่ยความรู้ที่เราผลิกขึ้นมาได้นเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะให้มันเป็นของโลกเป็นของธรรมชาติและความส่วนใหญที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยต่างๆมากมาย อย่างที่ภาษาจริงเขว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์ความสําเร็จเป็นของฟ้าสิ่งที่เป็นของเรามีอย่างเดียวคือความพยายามแต่ผลที่เกิดขึ้นนะมันเป็นของฟ้าในาำพูดศาสนาเรือเป็นของธรรมชาติท่านอาจารย์พูดท่าเยเลยว่าเป็นของความว่ายกผลงานให้เป็นของความว่างและเราจะทํางานได้อย่างไม่ทุกนะจะมีความสุขเพราะนั่นอ่ะจะเห็นได้ว่าในขั้นตอนทุกกระบวนการของงานเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มต้นแล้วก็ระหว่างที่เราทำงานแล้วก็เมื่อทำงานเสร็จเนี่ยมันมีธรรมะที่จะเข้ามาช่วยประคองให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขและช่วยทำให้เรามีความเพียรมีความพยายามและทำให้เกิดความการเรียนรู้ตลอดเวลาคราวนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีท่าทีต่องานนะฮะในอย่างที่พูดมาคูมีฉันทะ มุ่งหประโยชน์ที่ดีงามมีความรักงานมีความเพียรใน่โกงักดิ์เปิดใจเรียนรู้ตลอดเวลาก็จะมีผลต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานปฏิเสธไม่ได้ว่าในการทำ ง, งานนั้นเนี่ยมันแยกไม่ออกจากผู้อื่นแยกไม่ออกจากเพื่อนร่วม ง, งานไม่มีงานใดที่เป็นงานที่ทำโดยตัวนแต่ว่ามันจะไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้อื่นเสมอ ถ้าเรามีท่าทีอย่างที่อาตมาได้มาว่ามาเนี่ยเราจะเปิดใจรับฟังความจริงของคนมากนะใจเราจะเปิดกว้างขึ้นนะโดยเพราะเมื่อเราไม่มีไม่เอาตัวตนเป็นใหญ่เราเอาความถูกต้องเอาปัญญาเอาความรู้เป็นใหญ่เนะี่ยซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมมาธิปไตยเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ไม่เอาตัวตนเป็นใหญ่เราจะเปิดใจรับฟังคนได้มากขึ้นเราจะกระเทือนกับเสียงที่พระวิจารณ์น้อยลงแล้วเราจะไม่โกรธประสาท และเราก็จะไม่เห็นคนอื่นเป็นคู่แข่งด้วยทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราทํางานเนี่ยพอเราไปไ ป, ไปยึดยึดมั่นถึงมั่นในตัวในตัวตนมากเนี่ย <c oughs> หรือว่าคิดถึงแต่ตัวเองมากเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกแยกเรากับคนหนึ่งออกจากกาันการทํางานจะกลายเป็นการแข่งขันแม้แต่จะในองค์กรเดียวกันก็ตามแม้แต่ในฝ่ายเดียวกันก็ตามนี่เหตุการณ์นึงที่น่าสนใจนะซึ่งอาตมาคิดว่าให้ข้อคิดที่ดีแก่เรา ที่บริกานี้เขาจะมีการมันจะมีการแข่งขันสะกดคำนะสะกดคําเป็นประเภทเป็นงานใหญ่นะทำกันมาหลายปีหลายสิบปีแล้วเมื่อปีที่แล้วยังมีคนร่วมการแข่งขัน10บล้านคนนะเขาจะเอาเด็กเฉพาะเด็กต่ากว่า26นะปีนี้เนี่ยเขาเขาไปจัดช่วงสิบสบคนสุดท้ายนี่ก็ไปออกโทรทัศน์ขายทอดสด น, นะคนก็สนใจมากนะปีที่แล้วนะฮะ มันมีอยู่สองคนที่เป็นตัวเกง่งตัวเก่งอันดับหนึ่งคือซามีตัวเก่งอันดับสองก็คือราชิฟน่าสนใจนะเป็นลูกเป็นพวกลูกครึ่งหรือเป็นพวกที่ที่มีเชื้อจากต่างชาติทั้งนั้นแต่คนที่เป็นอเมริกันนะบอกว่าซามีซึ่งเป็นตัวเก่งเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเขาเกิดพลาดค่าเสยียที กับคำคำหนึ่งซึ่งอาตมาฟังอยู่แล้วก็งงนีอิรามาคอสิสสะกดยังไงนะอีรามาคอสิสเนี่ยสามีสะกดไม่ได้นะก็ตกรอบไปก็ทำให้ราชีฟเป็นตัวเก่งขี้มานักข่าวก็ไปถามราชีฟว่าดีใจไหมที่คู่ปรับคือสามีเนี่ยตกรอบคำตอบของราชีพก็คือว่าไม่ครับคือไม่ดีใจครับนี่เป็นการแข่งขันกับคา ไม่ได้แข่งขันกับคนนะครับเขากำลังแข่งกับคำํำไม่ได้แข่งกับคนเขาก็เลยไม่ไม่รู้สึกเสียใจหรือไม่รู้สึกดีใจที่สามีตกห<ม>เพราะเขาไม่ได้เชืา่อสามีเป็นคู่แข่งของเขาอตมาเชื่อ ต, ตรงนี้สําคัญคือเวลาเราทํางานเนี่ยเราม่ได้คิดว่าไอ้คนอื่นเนี่ยคือคู่แข่งของเราเราไม่ได้นึกว่าคู่แข่งกำลังกินคืนงานคือความไม่รู้คือความคือความความไม่รู้หรือ ข้อเท็จจริงที่มันถูกเคลือบปุมปิดบงังถ้าเราทํางานเนี่ยเราไม่มองว่าคนอื่นนี่เป็นคู่แข่งของเราแต่คู่แข่งของเราเนี่ยคืองานคืออุปสรรคนะเราจะมีความสุขกับการทํางานกับผู้อื่นครับ<ม>แต่พอเราไปคิดว่าคนอื่นนี่เป็นคู่แข่งแมจะอยู่ในออฟฟิศเดียวกันนะแล้วเราเรา เราก็จะเราก็จะรับไม่ได้เวลาเขาเขาทำได้ดีกว่าเราเราจะรับไม่ได้เวลาเขาวิจารเราไม่ใช่แค่คู่แข่งเดียวเราจะเห็นเขาเป็นศัตรูเลยถ้าเขาวิจารเราแต่ถ้าอะไรว่าไองานเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทํากับงานเราลังสู้กับงานเราไม่ได้สู้เราไม่ได้สู้กับคนหรือแข่งคนเนี่ยนะเราจะมีท่าทีที่เปิดรับผู้คนมากขึ้นแล้วเราจะมีมุทิตาจิตในทางพุทธศาสนาและมุทิตาจิตความยินดีที่เขาได้ดี โดยเพราเวลาเราทํางานเจอเรื่องการวิจัยหรือการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยเวลาใครทําได้ประสบความสําเร็จเราก็จะมีบุตทิฏฐิจิตเราก็จะมีความยินดีเพราะสิ่งที่เขาทานั้นช่วยทําให้สถาบันดีขึ้นช่วยทําให้ส่วนรวมนี้ดีขึ้นช่วยทําให้เด็กขาดอาหารมีน้อยลงหรือช่วยทําให้สุขภาพพลังงานหม่ของประเทศชาติดีขึ้นนี่เรียกว่าเราเอาเราเอาเอาธรรมะเป็นใหญ่คือเราเอาผล ป, ประโยชน์ ของส่วนรวมเอาความถูกต้องเอาประโยชน์สุงนี่เป็นเป็นเป็นใหญ่แต่เราจะไม่มีพุทธทาจิตถ้าเราเอาตัวตนเป็นใหญ่เพราะว่าเมื่อเขาเมื่อเขาทําได้ดีเมื่อทําเขาทําได้ดีกว่าก็หมายความว่าฉันนี่สู้เขาไม่ได้ไอ้ตัวตนหรือความรู้สึกว่าฉันสู้เขาไม่ได้ฉันไม่เป็นที่ยกย่องอันเนี้ยเราเรียกว่าอัตตาไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาตัวตนเป็นใหญ่ซึ่งภาษาพุพทธศาสานาเรียกว่าอัตาตาธิปไตย เราจะไม่มีวิตตาณจิตเลยธรรมาธิปไตยกับอัตตาธิปไตยนี่มันไม่ใช่มันกับปกครองนะฮะมันคนเลือกกับประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือการเอาธรรมะเป็นใหญ่หรืออัตตาธิปไตยคือการเอาตัวตนเป็นใหญ่ตัวตนเป็นใหญ่เช่นว่าฉันจะทําอะไรก็ต้องดูว่าฉันได้อะไรแต่ธรรมาธิปไตยคือจะท today, ําแล้วก็ตามก็ดูว่ามันเกิดประโยชน์ไหมไม่ได้สนใจว่าฉันจะได้อะไรหรือเปล่า ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นบรรณาของคนไทยเวลานี้เพราะว่าเวลาจะทำอะไรเราก็จะถามขึ้นมาว่าทำแล้วจะได้ไหมถ้าจารย์ประเวศบอกว่านี่นี่คือคำถามที่น่าเกลียดที่สุดเพราะว่าเวลานี้เราเอาอัตตาธิปยตยเป็นหลักแต่ถ้าเราเอาธรรมะิปไตยเอาความถูกต้องเนี่ยใครที่ก็ทํางานได้ประสบความสําเร็จใครที่ก็ทํางานได้ได้เกิดผลงานที่ดีดีเพราะงานที่ประเพื่อสะสมรวมเราก็จะมีความชื่นชมเพราะว่าเราอยากจะให้ สถาบันดีเราอยากจะให้ให้ประเทศของเราเีเจริญก้าวหน้ามากขึ้นผู้คนทุกอย่ากน้อยลงนะแล้วและมันทำให้การทำงนานเรามีความสุขเพราะความทุกคนเราส่วนหนก็เกิดจากความที่เราอิจฉานะเราทนใครที่ดีเด่นไม่ได้หลวงพิจิตวัฒนการบอกว่าทําดีแต่อ่าเด่นจะเป็นใครนี่เพราะว่าเราขาดมุทิตาจิต จะถ้าเรามีความชื่นชมยินดีในความดีที่เขาได้ทำํทำในทางวิาศาศาสัชนานี้เรียกว่าบุญอย่างหนึ่งนะปัตตานุมโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากความชื่นชมยินดีในความดีที่ผุ้่นได้กระทําเป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะทําแล้วเกิดความสงบใจนะเ น, เนี่ อ, อ่านี้ถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีมีาาทาตุที่ตอบเพื่อร่วมงานหรือตอบคนที่อยู่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยในลักษณะที่ว่ามาคือในสัตว์ที่เป็นบวกมีมุติตาจิตเราไม่เห็นเขาเป็นคู่แข่งเราเราพร้อมที่จะรับฟังเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นที่จําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆดีเพราะในปัจจุบันเราต้องทํางานร่วมกัน กันมากเลยเพราะเราทำงานในสถาบันหรือในองค์กรถ้าเรายึดถือเอาความรู้ความจริงความถูกต้องเป็นใหญ่เนี่ยเราจะเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันมากขึ้นนะเพราะเราตระหนักว่าการร่วมมือกันนั่นแหละที่ทำให้ความรู้ความจริงความถูกต้องจเจริญงอกงามการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความรู้ แทนที่จะปิดบังผงแผนเอาไว้เพราะกลัวก็จะได้ดีเนี่ยมันก็จะน้อยลงข้อมูลเพราะเราไม่ยึดว่านี่เป็นข้อมูลของฉันยิ่งเราบอกนี่ไม่ใช่ข้อมูลของฉันนี่ไม่ใช่องค์ความรู้ของฉันแต่มันเป็นของมันเป็นของสาธารณนเป็นของมนุษยชาติเป็นของโลกแล้วก็พร้อมที่จะเผยแผ่ไปเมื่องเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการทํางานร่วมกันและเออเฟอร์เกอร์กลุ่มอย่างภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กรเนี่ยก็เป็นไปได้ ตรงนี้เนี่ยอาศัยปัจจัยหลายอย่างนอกสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนะก็คือว่าทีทางพุทธศาสามบว่าเนี่ยสารนิยธรรมหรือธรรมที่ทําให้เกิดความสมัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยได้แก่หนึ่งนะการมีความเห็นเสมอกันทิฏฐิสามัญตาคือความเห็นเสมอกันคือความเห็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าต้องเห็นด้วยกันทุกเรื่องแต่ว่าหมายถึงว่ามีวิสัยทัศน์เหมือนกันนะมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน มีศีลสามัญตาศีลนี่ไม่ได้ไหมายถึงว่าศีลห้ศีลแปดเลแต่หมายถึงว่าการเครารพ ก, กฎเกณฑ์ร่วมกันถ้าถ้าทุกคนถ้าต่างคนต่างไม่มีกฎเกณฑ์ในการทํางานมันก็เกิดปัญหาความแตกแยกแล้วฉานมีเมตตาทั้งในใจทั้งในคําพูดและการกระทําแต่ที่สามคือมีสาธารณโปรคีสาธารณโปรคีคือการแบ่งปันกันซึ่งมันไม่ใช่วแค่แบ่งปั น, ฉนเฉพาะขอ ง, ของแต่แบ่งปัน แล้วก็เรื่องการแบ่งปันข้อมูลความรู้เนี่ยก็เป็นสาธารณประโยชน์อย่างซึ่งจําเป็นมากโดยเฉพาะในองค์กรอย่างสถาบันวิจัยโภชนาการและเรายิ่งแบ่งปันนะฮะของพวกนี้มันไม่ใช่ว่ายิ่งแบ่งแล้วมีน้อยลงยิ่งแบ่งก็ยิ่งมีมากขึ้นยิ่งเราแบ่งปันความรู้ความคิดเห็นเราก็ฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีความคิดที่งอกเงยมากขึ้นที่จริงอย่าว่า มันมีผลงานหลายอย่างเวลานี้ที่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าให้การแบ่งปันกันแล้วเนี่มันทําให้ผลงานออกมาดีขึ้นมากรื่อยๆโดยที่คนคนที่แบ่งปันก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นคือฉลาดมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นอย่างโปรแกรมอย่างนี้หลายท่านคงรู้จัก Linux กเนี่ยลินลุเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เป็น OpenSource คือว่าใครแต่ละคนต่างก็มาแสดงก็มาช่วยกันทําให้โปรแกรมมันดีขึ้นไม่เหมือนกับหลายโปรแกรมหรือโปรแกรมส่วนใหญ่อย่าง Microsoft ซึ่งมันเป็นโปรแกรมซึ่งปิดแค่ แล้วลิมูซินเวลานี้เนี่ยมื่ย่างมาเป็นผลงานร่วมกันของคนทั้งโลกเนี่ยนะมันก็เป็นกลายเป็นงานที่ออกมาแล้วดีนะและเป็นเป็นของดีที่ราคาถูกคือไม่เสียเงินฟรีนะแล้เวลานี้ลิมูซก็กําลังกลายเป็นพูดแข่งที่สําคัญเข้ามาทดสอบนะนะมันเป็นผลงานของความร่วมมือกันอันนี้คือสาธารณโปรคีนะซึ่งทําให้เกิดประโยชน์มากและถ้าเรามองให้ดีนะมันไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมานะเช่นความรู้ เมื่อแบ่งปันกันแล้วนี่มันมีแต่งอ ก, งอกเงยมากขึ้นเกิดผลงานที่ดีมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เปน็นนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็อาจจะถ้าเราแบ่งปันแทนที่จะน้อยลงอาจจะมีมากขึ้นก็ได้คุณนิรมนต์เมทช่วยคุณเนี่ยเคยเล่าใฟังตอนไปทําสารคดีทุ่มแสงตะวันใ น, ในชนบทเนี่ยตอนที่กําลังนั่งพักก็มีคุณป้าเนี่ยถือถือพวงถือปลาตัวใหญ่มาสองสามตัวตัวใหญ่เลยนะ แล้วก็ถามคณะขายทาว่าทำไงที่กินได้นานทำไงปลาในมือที่นี่กินได้นานคณะที่มาจากกลุ่เทมกับเทียงใหญ่จะหมักหรือจะจะตากแดดหรือจะทำอะไรดีคุณป้าบอกกิหมดเลยคุณ้าบอกต้องแบ่งเพื่อนบ้านให้ทั่วถึงเนะพราะแบ่งแล้วเนี่ยแบ่งมันไม่หมายความว่ามันไหมายความว่าคุณหมดนะเมืม่อคุณแบ่งเนี่ย ปลาที่ที่ให้ไปหมดตัวจริงแต่ว่ามันจะมาเรื่อยๆมันจะมาเรื่อยๆชาวบ้านเวลาเพื่อนบ้านเวลาก็มีปลาเขาก็มาแบ่งให้นะกินได้นานนะปลา2อตัวที่กินได้นานถ้าไปแบ่งมันซึ่งมัน น, นี่คือภูิปัญญาของของคนไทยนะซึ่งมันต่างจากความความที่องค์กปัจจุบัน ค, นคือยิ่งแบ่งฉันยิ่งมีน้อยลงไม่ใช่ยิ่งแบ่งยิ่งมีมากขึ้นนะนั่นการการแบ่งกันเนี่ยมันมันมันมันไม่ทําให้เกิดขาดทุนนะ ถ้าองอย่างนี้กับตัวคือยิ่งแบ่งเท่าไหร่ยิ่งได้กำไรนะอันนี้เนี่ยในการทำงานที่เราเอาตมาคิดว่าสำคัญมากนะก็คือว่าความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าการแข่งขันกันเนี่ยมันไม่ดีนะแต่ว่าเราแข่งขันกันยังไงถึงจะทำให้เราไม่ยังสามารถที่จะมีน้ำใจต่อกันได้อาตมาพัฒน์ใจเหตุการณ์ที่เขามีการแข่งขันกันดีเด็ด มีเด็กประมาณ4 5คนเนี่ยอายุ12เป็นเด็กผู้หญิงเขาแข่งแข็งที่จะร้อยเมตรนะแข่งร้อยเมตรตอนที่ออกสตาร์ทเนี่ยมันก็มีเด็ก2คนนําหน้าแล้ว2คนก็อยู่หลัง2คนที่นำหน้าเนี่ยนะก็มีคนหนึ่งที่ที่ทําท่าจะวิ่งเข้าใกล้เส้นชัยมาคืดเอยคือออกหน้านะแต่กว็วิ่งไปตัวไปถึงเส้นชยัยเพื่อนที่วิ่งตามหลังมาล้มนะ เขาทำยังไงอ่ะคนที่วิ่งออกหน้าเนี่ย <c oughs> เขาหยุดนะเขาหยุดแล้วเขากลับมาพยุงเพื่อนขึ้นระหว่างนี้ก็พยุงเพื่อนในปรากฏว่าสองคนที่ตามหลังก็วิ่งแซงเข้าไป <c oughs> เขาเป็นผู้แพ้ในเกม น, นะแต่ว่าเขาชนะใจคนดูคนดูตบดูให้นะแล้วเขาไม่ได้ชนะใจคนดูเขาชนะใจเพื่อนด้วยแล้วเขาชนะใจตัวเองที่สําคัญ คือคือ ท, ทำไงเนเวลาเราเราแข่งขันก็ก็ตาเนี่ ย, เ, ยเราไม่แรงน้ําใจเรายังมีความเป็นมนุษย์อยู่อย่างเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแม่เขาอยู่ในรูปแข่งขันเนี่ยแต่ว่ามันไม่ทําลายความเป็นมนุษย์ของเขาเขามีน้ําใจเพื่อเฟืองกันและตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งซึ่งเป็นสิ่งซึ่งสังคมขาดแคลนมากแต่เราสามารถจะเอาท่าทีหรื อ, อ, อความคิดของเด็กคนนี้เนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจให้กักเราได้คือว่าไม่ว่าเราจะ ถ้าว่าเราจะไปจต้องแข่งขันแต่ว่าเราไม่เราไม่สูญเสียน้ำใจเราไม่แรงน้ำใจแล้วเราก็จะมีความสุขนะแล้วเราก็เราก็จะเป็นผู้ชนะแม้ว่าจะไม่ชนะในเกมก็ตามแล้วเนี้ยนี่คือท่าทีที่ถ้าเราทํางานในองค์กรอย่างสถาบันวิจัยโภชนาการเนี่ยอันนี้คือธรรมะนะซึ่งจะทําให้องค์กรเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นองค์กรที่ต่างคนต่างอยูนะ่แต่จะกลายเป็นชุมชนของกลยาณมิตร หรือเป็นเครือข่ายของผู้ฝ่รู้คำว่าชุมชนเนี่ยมันแสดงถึงสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันคำว่าเครือข่ายมัหมายถึงสายสัมพันธ์ที่ที่มีการการการเอื้อเฟอื้อเกือ้อกูลกันและการรวมกันเป็นเครือข่ายหรือการเป็นชุมชนเนี่ยมันทาให้เกิดพลังมากนะมากกว่าการที่ต่างคนต่างอยู่ ไม้เนี่ยหนึ่งไม้แต่ละแผ่นเนี่ยไม้แต่ละแผ่นอาจจะรับน้ำหนักได้สิบกิโลแต่พอเอาไม้ทั้งสองแผ่นเนี่ยมาพนหนึกกันมันจะรับน้ำหนักได้เท่าไหร่มันมากกว่ายี่สิบนะมันอาจจะรับน้ำหนักได้มากถึงสามสิบมันมีคำฝรั่งที่เรียกว่า the whole is more than the sum of its parts องรวมเป็นอะไรที่มากกว่าผลรวมของส่วนย่อย ไม้สองแผ่นเมื่อมาลง ก, กันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะรับน้ําหนักได้มากกว่ากว่าแต่ละแผ่นรวมกันประสาทเซลล์ประสาทที่เรานิวรอนเนี่ยนะความสําคัญของมันไม่ได้สมองคนเราเนี่ยที่เราคิดได้เก่งไม่ได้เป็นเพราะว่าเรามีเซลล์ประสาทเยอะซึ่งมันก็เยอะจริงนะแสนล้านแสนล้านเซลล์แต่ที่มันที่มันพินดสดารเลยนะคือการที่มันเชื่อมโยงถึงกันนะอย่างซับซ้อนมาก เด็กจะฉลาดหรือไม่นี่ไม่ใช่เพราะว่ามีนิวรอนเยอะหรือน้อยแต่เป็นเพราะว่าไอ้นิวรอนหรือเซลล์ประสาทนี่มันเชื่อมโยงแค่ไหนเดยวที่เขาถูกมีกิจกรรมกระตุน้นระบบประสาทต่อซอวร์เขาก็จะมีการเชื่อมโยงปเป็นเครือข่ายสัมพันธ์กด้มากขึ้นก็จะทําให้เกิดเด็กที่ฉลาดมาความฉลาดไม่ได้ที่จํานวนเซลล์แต่มันอยู่ที่ความสัมพันธนะ์องค์กรก็เหมือนกันนะฮะองค์กรจะฉลาดเนี่ยไม่ได้ที่ว่ามีคนเก่งแค่ไหนแต่มันยังขึ้นอยู่ทำไมคือมันขึ้นอยู่กับว่า ความสัมพันธ์ในองค์กรไม่ต้องดูอื่นไกลดูฟุตบอลที่ฟุตบอลก็ไดนะ้ฮะทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลที่มีนักฟุตบอลระดับโลกสิบเดคนแต่อีกทีมนึงซึ่งนักฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ระดับโลกเลยโนนยามที่ซ้ําแต่ทีมที่สองเนี่ยเขาร่วมมือกันเป็นทีมบ่อยครั้งเนี่ยไม่ว่าจะในระดับโลกระดับประเทศหรือระดับสโ ม, มสรเราพบ ว, ว่าไอ้ทีมอย่างที่สองนี่แหละที่มันสามารถจะเล่นได้ ได้ดีกว่าทีมแรกมีมีดาวดารามีดาราระดับโลก11คนมารวมกันในทีมแต่ไม่แต่บางทีต่างคนต่างแย่งแย่งซีกันนะแทนที่จะมี11คนอาจจะเหลือแค่ 6-7 คนเพราะว่าความความสามารถมันบั่นทอนกันแต่คน11คนซึ่งไม่เก่งเลยแต่ความสัมพันธ์ดีเป็นทีมเวริร์ความสามารถของทีมอาจจะมากกว่า11คนมาก จ, จะกายเป็น15คนก็ได้นะ แล้วเป็นี่เราพบ ว, ว่าไอ้ความความการที่มื่อะไรก็ตามที่มันมีการสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายแลไรเนี้ยพลังมันมีมากขึ้นนะอัตมาได้ยกตัวอย่างของของเอ่อของได้พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ในประเทศอเมริกาที่มันมีการพยายามที่จะคน้นที่จะค้นพบหาวิธีที่จะรักษาโรคหว่าง หนังสือเรื่องที่จอจตมาว่าชื่ The Great Influencer เนี่ยเขาเขาพูดถึงสถาบันสองสถาบันที่น่าสนใจครสถาบันแรกคือคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยจอห์นท็อบกินกับอีกสถาบันหนึ่งคือสถาบันลอฟตี้เฟนเลอร์คืออเมริกาในช่วงพันในช่วงในช่วงปลายปลายศตวตรรษที่20เนี่ย วิทยาการในทางการแพทย์เนี่ยมันล้าหลังมากนะครับเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่มีคนแล้กระทางในคณะแพทยศสารของห ม, า ห, มาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนักศึกษาแพทย์เนี่ยแทบไม่แทบไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งนะเขียนเขียนเขียนไม่เคยคล่ อ, องมีปัญหามากเวลาที่ทางหมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเริ่มให้เอาวิธีการสอน ข้อเขียนนี้เอามาใช้ในคณะแพทยศาสตร์ของา哈佛ประมาณปีพันตรอกว่า8ปดรเเพราะว่านักศึกษาเขียนไม่ค่อยได้นี่คือสถานภาพของวิทวงวิชาการแพทยศาสตร์ในอเมริกาเมื่อเทียบกับยุโรปต่างไกลแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาแค่20ปีเนี่ยนะความรู้ทางแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของของอเมริกามันก้าวล้ำหน้ากว่ายุโรปภายในช่วงเวลาไม่ถึง20ปี เกิดอะไรขึ้นนะคำตอบโซนนีก็เกิดเกิดขึ้นจากการที่หมาคณะแพทยศาสตร์จฮอปกินเนี่ยกับหมหาวิทยาลัยกับสถาบันสถาบันร o อ k ก f e เฟนเเนี่ยเป็นชุมชนของการยานอนนิทที่เขาได้ร่วมมือกันนะในร่วมมือกันระหว่างระหว่างนักวิระหว่างนักวทยาศาสตร์เขาร่วมมือกันอย่างแข็งขันมากนะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน บากกัว่าภายในเวลาแค่ไม่ถึงชัวยย่วอายุคนสามารถที่จะทำให้เกิดความรู้หรือองค์ความรู้ที่ล้ำหน้ากว่ายุโรปในวงการฟิสิกส์ก็เหมือนกันนะบจกนกระทัางประมาณหลังหลังหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยศูนย์กลางของวิชาฟิสิกส์อที่ยุโรปไอน์สไตน์นิสบอร์ไฮเซนเบิร์นี่อยู่ยุโรปนั่นนะฮะแต่บอกกว่าพอเกิดพอม า, า, า, ออมาที่รินตันเนี่ยเกิดมาไที่รินสตันมมา คณะฟิสิกส์เขาเอาเขาเขาพัฒนาขึ้นมาไอสไตน์ก็กลับเขาก็ถูกถูกดึงมาที่ปรินสตันนะบอกว่าภายในช่วงเวลาไม่ถึงยี่ปีนะปรินสตันเนี่ยสามารถที่ปรับการบุกการฟริสิกส์เนี่ยให้มันก้าวล้ําของอเมริกาให้ก้าวล้าหน้ากว่ายุโรปจนถึงปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นเช่นนั้นน ะ, ะเพราะเพาะว่าสถาบัานเหล่านั้นเนี่ยมันได้กลายเป็นชุมชนของนักวิชาการที่เป็นที่เหมือนเกิดการยนานนิดกัน เอเื้อเฟื้อเกืร์กูลถ่ายเทข้อมูลกันพลังการร่วมมือกันนี่มันสามารถที่จะคลิกค ล, ลิกให้เกิดประวัติการขึ้นมาใหม่ได้นี่คอเว่าทาไมญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่แพ้สงครามโลกที่2องเลเนี่ยแต่ทาไมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมได้รวดเร็วเพราะมนความพลังความร่วมมือกันแน่นะคิดว่าเนี่ยความร่วมมือกันเนี่ยมันพอเรามไม่ได้ พอคนเนี่ยซึ่งเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่พอมาร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อ ม, มูลกันแล้วเนี่ยมีความเป็นกลยุทธ์กรยันติน ก, กั น, นมันสามารถที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เลือกทิ่นําเป็นหลังมือได้ภายในช่วงเวลาไม่กี่ปีและตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างที่ทำให้เราการการที่เราเราถือเอาส่วนรวมเป็นใหญ่การถือเราเอาประโยชน์สุดของส่วนรวมเป็นใหญ่ การที่ทําให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างปัจเจกบุคคลมีเปิดใจรับฟังกันมันจะกลายเป็นพลังให้กับให้กับสังคมแล้วก็ให้กับส่วนรวมมากนี่แต่ละคนเนี่ยก็ต้องไม่ได้ก็ต้องไม่ตำหนักไม่ต้องไม่คิดว่าตัวเองนี่เป็นแค่ปัจเจกบุคคลนะหรือว่าเป็นแค่ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง กับส่วนรวมนะถ้าแต่ละคนเนี่ยมองไปในทิศทางเดียวกันนะและตระหนักว่าตัวเองเนี่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่รับผิดชอบกิจกรรมร่วมกันของสถาบันมีความห่วงใยเฉลิสระเพื่อส่วนรวมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมีการร่วมมือกันมีสิ่งที่เป็นสาธารณโปรคีนะ ไม่หวงเอาไว้เป็นของส่วนตัวเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนสถาบั น, นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเป็นเอกภาพสามารถจะผลักดันในสถาบันในการเป็นผู้นำํำนะในการขับเคลื่อนหรือพัฒนาต่างประเทศในด้านอาหารได้อย่างที่สมัยดึ่เนี่ยนะเคยทําได้แล้วก็เป็นเป็นเกียรติประวัตินะที่น่าภาคภูมิใจ ตอนนี้เนี่ยปัญหาของประเทศเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนกว่าปัญหาเมื่อ30ปีก่อนปัญหา30ปีก่อนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาทุกโชนาการซึ่งพอจะเห็นได้ด้วยตาหรือพอจะพอจะห ร, อหรือมันก็โดดเด่นขึ้นมาแต่ตอนนี้ปัญหาในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันซับซ้อนมากกว่เดิมมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากเพียงแค่การที่จะตอบโจทย์การที่จะถามว่าอะไรคือโจทย์ที่สำคัญของประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องยาก และสามารถที่จะตอบโจทย์ได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องยากยิ่งไ ป, ไ ป, ไปกว่า น, นั้นอีกแต่สมาธิเรื่อสิ่งนี้ไม่ไมไมเหลือมิตร์สายนะถ้าว่าทุกค น, นได้ร่วมกันเสมือนกาลยานามิทที่ทําให้องคอ์กรนี้กลายเป็นชุมชนของการยานนิทขึ้นมาแล้วก็เมื่อเป็นเช่นั้นก็สามารถจะผลักดันให้สถาบั น, นขับเคลื่อนไปได้ไม่ใช่แค่ขับเคลื่อนตัวสถาบันเดียวแต่ว่าทําให้สถาบันนี้กลายเป็นการูุนําในการขับเคลื่อนประเทศ อีกชั้ น, นหนึง่งไปอีกวันนี้อาตมาได้พูดถึงเรื่องของท่าทีต่องานท่าทีต่อเพื่อนร่วมงานต่อสถาบันแล้วเนี่ยถึงสุดท้ายเราต้องไม่ลืมท่าทีต่อตอนเองนะถ้าว่าเราทํางานไอ้ธรรมะเนี่ยนะถ้าเราเอาธรรมะมาใช้ในงานเอามาใช้ในความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเอามาใช้ในความสัมพันธ์กับองค์กรแล้วเนี่ยมันจะทําให้ธรรมะในใจตัวเนี่ยพัฒนาขึ้น คือเกิดปัญญาแล้วก็ทํางานได้อย่างมีความสุขไม่เคร่งเครียดกดดันเพราะงานนี่มันสามารถพัฒนาตนได้มาสามารถพัฒนาศักยภาพของเราได้และเราสามารถใช้ความดีเนี่ยใช้ใช้งานเนี่ยเป็นการเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ความดีสร้างสรรค์ประโยชน์ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและอาจจะดีอย่างนั้นคือมันช่วยลดรัดตัวตน เราลดละตัวตนเมื่อเราสามารถที่จะรับฟังคําวิจารณ์ของผู้อื่นได้และสามารถได้เปลี่ยนคำวิจารณ์นั้น เ, นเราลดละตัวตนเมื่อเรามีมุติตาจิตต่อเพื่อล่วงงานหรือต่อผู้อื่นที่เขาทําได้ดีหรือสําเร็จหรือว่าเราลดนะความเป็นความยึดมั่นถือมั่นในงานของเราเราสามารถที่จะให้งานเนี่ยสามารถสละให้งาน เ, นเป็นของธรรมชาติได้ และถ้าเราทำงานอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีความสุขฮนะเมื่อเราได้ทำความดีทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยไอ้งานที่เราทำเนี่ยมันจะเหมือนกับน้าที่ช่วยหล่อเลี้ยงธรรมชาติภายในของเราธรรมชาติภายในของเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่ฝ่ดีเมื่อเราได้ทำความดีเนี่ยธรรมชาติที่ใฝ่ดีก็จะเรืองงอกงาม เหมือนกับต้นไม้ที่งอกงามเมื่อได้รับน้ําแล้วเราจะพบว่ารอแล้วพบว่าอธรรมชาติไฟดีเนี่ยสำหรับคนจำนวไม่น้อยเนี่ยมันไม่สามารถเจริญงอกงามได้เพราะว่า้เปลือกแห่งความเป็นกระตัวเนี่ยมันห่อร้มเอาไว้เมื่อเปลือกแห่งกระตัวหอ่อรูมไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้เจอแสงไม่ได้เจอน้ําความดีก็ จะไม่สามารถจะเจริญงอกงามได้ภายในใจแต่ลึกๆคนเราต้องการทำความดีนะฮะอย่างกรณีซึนามิเราจะเห็นเลยว่าเวลาคนตกทุกข์ยากน่ยมันจะมีคนอยากทีไปทำความดีเยอะแม้กระทั่งแม้ว่าจะต้องไปอยู่กับศพที่เน่าแต่ว่าเราไม่ต้องรอให้ต้องมีคนทุกข์เสียก่อนเราถึงจะทาความดี เราสามารถที่จะแสวงหาโอกาสในการที่ทำความดีได้โดยที่ไม่ต้องไปถึงวัดยันยาวเราสามารถที่ทำได้ที่นี่ที่สถาบันแห่งนี้ในที่ทำงานของเราและการทำามดีแล่ละอย่างแต่ละครั้งแต่ละครั้งนีจะช่วยทาให้ใจเราเนี่ยมีความสุขและยิ่งเราเปิดใจของเราออกไปรับรู้สัมคัญ์กับผู้อื่นได้มากขึ้นมนะนุษย์เราเนี่ยนอกจากการได้ทาความดีแล้วเรายังปรารถนาที่จะไป เชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้อื่นการที่เราเก็บตัวคับแคบหรือเก็บตัวแยกต่างหากจากผู้อื่นเนี่ยมันก่อใหววเอ้เกิดความเครียดเกิดความทุกข์มีคนนึงแลก็เป็นโรคมะเร็งเออเขาเป็นโรคหัวใจเขาก็พยายามควบคุมเรื่องอาหารนะแต่มันก็ไม่พอดีขึ้นเท่าไหร่และตอนน่อหลังก็พบว่าโรคหัวใจเนี่ยการวิธีเ ย, ย, ยียวยาอย่างนี้คือการ การเปิดใจไปสัมพันธ์กับผู้อื่น mm hmm. เขาเพูดว่ามันตรงกับตัวเขาเลยเพราะว่าเขาก็อยากขาดจากครอบครัวอยากขาดกับจบาภรรยาแล้วเขาก็ไม่ได้สึมซึมกับ ใ, ใคร mm hmm. เขาลองที่จะไปเปิดตัวเองกับผู้อื่น mm hmm. ไปทำงานอาสาสมัคร mm hmm. ไปมีสัมพันธ์กับไปมีหมายถึงว่าเปมีสมพันภาพกับผู้คนเ mm hmm. พื่อนบ้านตา่างๆปรกว่าสุขภาพก็ดีขึ้น จนกระทั่แทบจะไม่ถูกลบกวนด้วโลคหัวใจเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ดีสุดยันในชีวิตของเขาก็คือการได้ไปโลกหัวใจเพราะโลใจมันตือนให้เขาเนี่ยเปิดใจออกไปรับรู้ผู้คนไปสัมผัสกับผู้คนคนเราเนี่ยต้องการสองอย่างอันที่หนึ่งคือสัมพันธ์กับผู้อื่นอันที่สองสัมพันธ์กับธรรมชาติส่วนดีในตัวเราสัมพันธภาพในแนวความและแนวรุนนี้สําคัญมาก หลายคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะมีความทุกข์ทางในแม้ว่าจะมีทุกอย่างแต่ขาดพื้นหรือ่าจะมีอะไรมากมายแต่ว่าไม่มีโอกาสที่ได้ทำความดีได้สร้างได้ทาสิ่งที่สร้างสรรได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่พอได้ออกไปสัมพันธ์กับผู้คนได้ออกไปช่วยเหลือเกือเ้อกูลผู้อื่นแลวได้ได้มันก็เหมือนกับว่า ได้เปิดใจให้ความดีงามภายในธรรมชาติภายในได้เจริญงอกงามเหมือนกับเหมือนกับดอกเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์นะถ้ามันอยู่ใต้ดนินก็ไม่มีวันโตแต่เพราะว่าพอมันได้สัมผัสอากาศได้สัมผัส น, น้ําได้สัมผัสแสงแดดก็ผลิดอกออกผลก็ผลิตออกมาเป็นต้นกล้าแล้วต้นกล้าก็แตกยอดออกมาเป็นต้นไม้และต้นไม้เนี่ยมันสามารถเจริญงอกงามได้ แทบจะไม่มีขี่จำกัดต้นมโหูลานก็เริ่มต้นจากเมล็ดเล็ก ๆ, ๆงานเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำให้ความดีงามภายในใจของเราเรานีเจริญงอกงามและทำให้ ม, มีความสุขเขาเคยมีการทดจอดวัดสมองของคนของเด็กนะให้ทำหลายๆอย่างรวมทั้ง การไปช่วยหนือผู้อื่นการไปให้ทานเพราะกว่าเด็กที่เด็กที่คือค่อยทำกิจกรรมในใ น, ในห้องนะการที่เมื่อเด็กได้เสียสละอะไรบางอย่างให้แก่ผู้อื่นเช่นเอาเงินเนี่ยให้แก่ผู้อื่นปรากว่าสมองส่วนที่มันเป็นความสุขเนี่ยที่มันเป็นแอเรที่เกี่ยวเรื่อง Reward เนี่ยคือการให้รงางวัลเนี่ยมันสว่าง สมองส่วนที่มีความสุขมันทํางานขึ้นมาการที่เราได้ทําความดีได้เสียสละได้ช่วยเหลือเพื่อนูนเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขเมื่อเร็วๆนี้เขามีการท ด, ท, ด ท, ดทดลองเอานักศึกษาสองกลุ่มนะกลุ่มนึงให้ไปเที่ยวจะไปกินไอติมจะไปดูหนังจะไปเที่ยวที่ไหนก็ ก็ไม่ก็ไม่ว่ากันอีกค น, นเนี่ยอีกกลุ่มนึงให้ไปทำงานอาสาสมัครแล้วก็ให้ทั้งสองกลุ่มนี้มาเขียนบันทึกแล้วก็บันทึกของกลุ่มที่ให้ไปทํางานอาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยความรู้สึกเขาดีมากเลยเขาบอกเขาบอกวันนั้นทั้งวันเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกฟังคนได้มากขึ้นแล้วก็เป็นนิกัยพูนมากขึ้น การที่เราได้ทําความดีการที่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นการที่เราได้มีสมรรถภาพหรือการได้ทําสิ่งที่สร้างสรรค์มันทําให้ความดีความความสุขภายในใจเราเจริญงอกงามเรามีความสุขเพราะว่าทำงาในในใจและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้จากการทํางานงานสามารถจะเป็นโอกาสให้เราได้สร้างความดี ได้ไปมีสมบัตภาพที่เกิดอกสร้างสรรค์กับผู้อื่นงานสามารถจะทําให้เราได้ไปเกิดความประสานสอดคล้องกับธรรมชาติภายในและทําให้จิตใจเกิดความเจริญงอก ง, งามเกิดความสุขเกิดความ ช, ชื่นชื่นบนบานแต่ถ้าว่าเรามองงานในมุมที่แคบงานเป็นเพียงแค่อาชีพหรือว่างานเป็นเพียงแค่สิ่งที่จะมา เสริมการไต่เต้าหรือมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยมันก็จะทำให้เราตัดขาดจากผู้อื่นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราจะถึงตัวเองและเราก็จะเริ่มตัดขาดกับความรู้สึกภายในกับธรรมชาติภายในและตรงนั้นเองเนี่ยคือที่มาของความทุกข์ที่พอเราพอเราพอเราพร้อมที่จะไป เชื่อมโยงกับผู้อื่นถ้าเราได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติภายในอุปสรรคมันจะกลายเป็นเรื่องเรื่องเล็กน้อยเราจะไม่กลัประสรรคเราจะเกิดความมั่นใจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตมาจัดมีคนมาปูป่าที่วัดของตมาประมาณ80 90้าคนเป็นอนานศาสสมัครแล้วแล้ววัสุดท้าแล้วก็เปิดใจกัน ก็มีอาสาสมัครคนหนึงบอกว่า้ตอนที่เข้ามาเห็นสภาพป่านอกวัดเนี่ยเห็นแล้วเก็หอเหี่ยวเพราะว่ามันเป็นป่าที่ถูกทําลายเป็นไร้าการขุดขั้วหัวโลน เ, เขาร้สึว่เข้าเปิดสมัครเหมือนก็นนกนเป็นต้นญ้าว่าเป็นแค่ต้นญ้าทำอะไรไม่ได้เลยแต่พอเขาได้ไปปลูกป่าร่วมมือกัน 80-90 คน เขาสูตรว่าเขาไให้ต้นไม้เขาไให้เต้นหญานะเขาคือต้นไม้คือเกิดความเกิดพลังขึ้นมาภายในเกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อตัวนี้เข้มแข็งขึ้นมาการที่เราได้ทํางานร่วมกันกับผู้อื่นเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองศักยภาพจะเลยน่องน้ำด้วยความมั่นใจและความสุขก็เกิดขึ้นด้วยเนี่ยแต่มาคิดว่า ธรรมะในงานเนี่ยกับธรรมะในใจเนี่ยมันมันไม่ได้แยกจากกันเลยนะมันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากถ้าเราเอาธรรมะใส่เข้าไปในงานไม่ใช่ใส่ไม่ใช่สใชส่เฉพาะในตัวงานแต่ว่าใส่ในวิธีการทํางานเอาธรรมะใส่เข้าไปในความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเอาธรรมะใส่เข้าไปในความสัมพันธ์กับองค์กรที่เราอยู่นะ สุดท้ายธรรมานั้นก็จะไม่ได้ไปไห น, นแต่ว่าจะย้อนกลับเข้ามาทำให้ธรรมชาติภายในของเราเนี่ยจะเลยงอกงามมากขึ้นอย่างแล้วก็ตามเนี่ยสิ่งสารพวงเนี่ยนะมันก็มันก็ขึ้นอยู่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยหลายปัจจัยปัจจัยภายนอกก็เป็นสิ่งสาคัญ แต่คิดว่าทั้งหมดนี้ต้องเริ่มต้นมาจากการที่เราวางท่าทีต่อการทำงานวางท่าทีในความสัมพันธ์กับพโรมานและกับองค์กรนะให้ให้เปลี่ยนไปด้วยธรรมะในความหมายที่กว้างนะครับอย่างที่อาจายมาได้ยกตัวอย่างมาถ้าทำเช่นนั้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ให้เราเนี่ยเกิดความสุขและงานเกิดความสำเร็จแล้วมันจะสำเร็จ ไม่ใช่เมื่องานเสร็จสิ้นนะฮะแต่มันจะสําเร็จในทุกขณะเคยมีคนไปถามอาจารย์พุทธทาสบอกสวนโมงนี่มื่จะเสร็จที่ทเห็นสร้างตึกอยู่นั่นแหละตึกเอนตึ ก, ต, ก, ต, กตึกบางตึกนี่ก็5ปีกี้ไม่เสร็จอาจ า, ารย์พุทธทาสบอกว่าเสร็จทุกวันแหละเสร็จทุกวันเราทํางานเนี่ยมันเสร็จทุกวันได้นะถามว่าเรา เรามองงานในมุมใหม่อาตมาก็ใช้เวลามาพอสมควรนะก็คิดว่าคงจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการมาสแสดงมุทิตาจิตนะต่อสถาบันแล้วก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้ใหทุกท่านได้ได้กล้าที่จะเอาชนะอุปสรรคเอาชนะความยากลำบากและสามารถที่จะมาสร้าง ชุมชนแห่งการยาณมิตมให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้สถาบันมีพลังในการขับเคลื่อนไม่ใช่ขับเคลื่อนเพื่อตัวเองแต่ขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าและถ้าเรามีความสามารถดีกว่านั้นก็ช่วยให้ประเทศพื่อนบ้านและช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นผู้คนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาตมาก็ใช้เวลาปรสิทควกรก็ขอมมที่ติดแต่นี้พขนมีก็ขอทุกทุโาทุกทานเลืเิกนกว่